พระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ในแวดบงของบริษัทบริวารห้อมร้อมถ้าจะว่าไปแล้วทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยไปเทียบกับพระพุทธเจ้าเท่าขี้เล็บดำท่านก็ไม่ได้ของท่านมากมายมหาศาลมีพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่าง อยากใ้พระองค์หนีออกไปอยู่ในป่าไปอยู่ในป่านไปเพื่อฝึกพระองค์เองอยู่ในป่าถึงหปีไปทดลองเหมือนกับเป็นทดลองวิทยาศาสตร์อย่างนั้นอ่ต้องการอะไรต้องการอยากจะได้น้ำมันเขาก็หาวิธีที่จะทำยังไงจรึงจะเป็นน้ามันก็จะทดลองสารเคมีกขทดลองอยู่สารเคมี ส่งการยาตัวไหนไปทดลองเรื่องยาแต่พระพุทธเจ้าไปทดลองเรื่องจิตวิญญาณทําไมจึงเกิดมาเกิดมาได้ยังไงตายแล้วไปที่ไหนสาระของชีวิตคืออะไรความสุขที่แท้จริงของมนุษย์คืออะไรพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วศูนย์เมื่อตายไปแล้วไปที่ไหน วิญญาณนั้นไปไหนอีกเมื่อตายไปแล้วเนี่ยท่านไปค้นคนว้าอยู่หกปีจึงได้พบหลักสูตรขึ้นมาจะเป็นพระพุทธศาสนาที่จะมาสอนพวกเราท่านทั้งหลายถ้าจะว่าไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านอยู่ในเวียงวังความสุขสมบูรณ์ทุกอย่างเสียสละจนถึงว่าเอาชีวิตเข้าไปแลกเลยถ้าเผลอเผอคนบางคน ไปฆ่าไปอะไรพระพุทธเจ้าซะสิทธัตถะซะคือไปจับเรียกฆ่าไทยไงยอย่างเนี้ยมันเป็นไปไปได้ทุกอย่างว่มงอนกนเถอะแต่ในพุทธองค์ไม่กลัวอะไรทั้งหมดสรุปแล้วพระพุทธองค์ไม่กลัวตายไม่กลัวตายถึงจะไม่ฆ่าก็ตายอยู่แล้วถึงยังไงมันก็อยงตายอยู่แล้วก่อนที่จะตายทำให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด ให้สั่งสมคุณงามความดีความดีให้มากที่สุดให้พิสูจน์สิ่งที่อยากจะรู้อยากจะเห็นให้บรรลุสมความมุ่ง ม, ม า, า, า่นปรารถนาเนี่ยพระพุทธเจ้าสิทธะนีวัาเหนือเหนือโลกเหนือพวกเราท่านทั้งหลายอเพราะนั้นพวกเราท่านหลายจึงได้กราบพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบพระสงฆ์สาวก นําธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้พวกเราได้รับรู้รับทราบนะ่ะนแะแต่พวกเรามาน้อยเดียวทั้งคือกลัวผีกลัวหนาวกลัวตายกลัวหมดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันเะเออบางคนก็จนอดไม่อดล่นคนไม่ได้ทั้งที่จะต้องอกตั้งใจทําขนาดนั้นไม่ไหวเหงั้นกันเอะถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าแนละ้วกันนั่นแหะ เหนือกว่าพวกเราท่านทั้งหลายมหาศาลมากมายไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบเทียบอันนี้ ค, คือความอดทนขันติวิญยะสติปัญญาทุกอย่างว่างั้นก่ะของพระพุทธเจ้าเนี่ยแปลว่าเตรียมพร้อมหมดทุกอย่างในในบารมีสิบทัศนะที่จะมาบำเพ็ญสู่จุดนี้ ท่านจึงพูดบา ร, รมีออกมาเป็นฉากๆนะทาสีนะปะวิขะสะอาเมอนะุคนก็เลยเป็นเศกเป็นคาถามาบนะัทาสีนะปะวิขะสะอาเมอนะือทาแปลว่าทานสีแปลว่าศีลทาสีนะนะในเขในธมะคือการออกบวชคืออยู่ตามลำพังนะทาสีนะปะเนี่ยปะใ น, ะ ป, ะนะปัญญาเนยะ วินริยะนีปวิขาปาวิะในค่ะในขันติลปวิคะสะาเนี่ยคือสัจญนปวิคะสะอเนี่ยคืออธิษฐานที่ฐานคือตั้งใจมั่นปวิขะสะอาเมเนี่ยคือเมตตาเนเมตตาอะเมอุคืออุเขาเนเมตตาแล้วก็อุเขานี่นี่หละคนเยเอาเป็นเป็นเป็นคาถาแต่ จริงแล้วก็คือเป็นอักษรย่อของาอักษรย่อคือบรมีสิบทั์ของพระพุทธเจ้านะทาสีณปะวิขะสะอาเมอุอัลพรณนติเนนานโรโมตนาหฮพร